คนปลอมหาง่าทองคำก็ปองหาไอทองทุบมันเยอะเหลือเกินมีคนดีก็มีคนชั่วมีทองคำก็มีทองทุบแต่ขอจเจเป็นพรมว่าความลักที่มโต้องการมีอะไรบ้างอาตมาจะพูดตรงนี้ก่อนอาตมาที่ท่านด็อกเตอร์มาถามอาตมาว่ามีความลักมีอะไยผู้เจ้าสาวให้เคลียรกันมีเะไย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 เป็นแค่สั ญ, ญลักษณ์แต่ไม่เป็นความจริงใจเป็นของปลอมค่ะดอกไม้เป็นของปลอมมันไม่มีความนักจริงแต่ประการใดแต่ขอจะพูดให้ฟังสิบข้อคที่มนุษย์ต้องการในชุดิมีอยู่สิบประการคือเบมนุษย์ต้องการอะไรข้อหนึ่งคือความลับสองความนิยมชมชอบสามความเลื่อมสายสาัทธาสี่ความมีมติติจิดมีสภาพห้าความเอาใจใส่หกความ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 ท่านผู้ชมทางบ้านนะคะจะเห็นว่าความรักเนี่ยนะคะมันมีตระกูลของมันนะคะปัจจัยที่ทำให้ความรักสมบูรณ์ทั้ง1ิบข้อที่หลวงพ่อได้พูดไปแล้วนะคะก็ทำให้เราได้หันกลับมาพิจารณาว่าในความรักที่เรามีอยู่กับให้กับคนอื่นหรือความรักที่คนอื่นมีให้กับเรานั้นมันถูกต้องสอดคล้องกับองค์ประกอบทั้ง1ิบข้อนี้หรือไม่นะคะ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 โอ๊อ๊อฟมารีวัจีเพะสงฆ์ทุกคนเขาวางตัวในกลางไหมนะจิตใจมีอัจฉริยะสัยไหมไม่มีอัจฉริยะสายเลยไหนเลยแลยมันจะดีเจะจะไม่มันก็ขึ้นคืนลงเดี๋ยวก็ทิ้งก็ได้จืดจางก็ได้เพรา ะ, ะไม่มีความดีต่อกันความดีมีต่อการไม่มีการจืดค่ะไม่มีการชื่อต่อการเอประทานโทษสามีปัญญาต้องพูดคำหยาบลากักน้ําหนึ่งน้ำใจไม่อัจฉริยะสัยและความเดีเนี่ย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 เมื่อเป็นเด็กๆเือหนุ่มรุ่นขึ้นมาเปลียดผู้หญิงมากค่ะแล้วเปรียบทาด้วยค่ะเปรียบทาด้วยนะเปรียบทาตัวมาเป็นพระเปรียดผู้หญิงเต็มวัดหมดเลยเป็นหมื่นเป็นพันะค่งเปรียบยิ่งก็ไปถากวัดที่นี่ผู้หญิงเยอะผู้หญิงเท่านั้นแล้วข้อองค์อื่นก็บอกว่านี่วัดที่ไม่มีแต่ผู้หญิงท่านไม่รู้กฎเหงบเปรียดผู้หญิงมันก็มากันเต็มหมดเลยเปรียบทาตัวมาเป็นพระขอเจริญพรยังไงเปรียดผู้หญิงจะแท้เต็มวัดหมดเลยเป็นพันเป็นหมื่น นอนค้นแก็เป็นหมื่นยิ่งเกลียดยิ่งเข้าใกล้จำไว้ยิ่งเกลียดยิ่งเข้าใกลย้ยิ่งรักยิ่งออกห่างไกลเราไม่เกลียดได้ไหมแผลแม่ตาเกลียดออกไปรักเข้ามาแทนที่สร้างความดีกันต่อไปคถึงจะถูกอตาตมานเนี่ยถ้าทูตสาวไม่มีแต่ความรักทั่วไปแม่ตาปราณี อ, อารีเอื้อเพื่อข่าวหรืดูการมีแน่นอนความรักอย่างนี้มีหน้หน่นอนเรารักเข้าทั่วไปแต่รักอะไรจะทนทานตองเตอร์รู้ไหม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 แต่มีบุตรธิดาคงไม่ได้มีบุตรธิดาคงไม่ได้เนะเพราะจะได้เพราะเหมือนกันเช่นนี้มีไม่ได้หรอกพ่อแม่ยิ้มเพราพ่อเก่งมากรู้ราบรู้ที่ไม่รู้จะให้อว่าไดา้มีบุตรธิดาไม่ได้จะรวยได้ค่ะบัตรนี้ยังอยู่ดีกันมีปั๊มน้ำมันดอกสามปั๊มพ่อแม่จงึงคู่ึ้นมาทันทีค่ะทั้งสองข้า ง, างบอกน้องพ่อค่ะ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 หลาประเภทบางทีเนี่ยแต่งตัวเป็นเป็นผู้ชายค่ะแต่เขาเป็นผู้หญิงค่ะแต่ใจเข้มแข็งมากาดี๋ยวคนนี้หรือปฏิบัติทำไหมปฏิบัติได้เลยคนอื่นยังไม่ได่าชู้เขาไม่ได่ะไอผู้อย่างเนี้ยผู้จิตใจอย่างเนี้ยได้ไวด้วยราบมั่นใจมั่นใจตัวเองมากแล้วก็สนใจตัวเองมากเวยแล้วก็ยังผู้หญิง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 เขาก็เสียใจลองรับดูสิเอะปฏิบัติดีแล้วคนอื่นอีกปฏิบัติดีแล้วตีสามตื่นแลีลยเขาบอกว่าเนี่ยหลวงพ่อค้าหนูเนี่ยร่างกายเป็นผู้ชายแต่ใีใจเป็นผู้หญิงทากับข้าวเป็นทุกอย่างหนูใจอ่อนอยากจะใจแข็งไม่น่ากุมาฐานก็เข้มมวดกุดขันต่างใจเดินกระรองได้เลยใจเข้มแข็งต่อไปอีก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 อายุเจ็ดขวบค่ะอยู่เชนปองในโรงเรียนสาริกเกษตรนานาชาติค่ะน้องมายนะคะได้เป็นยุวชนตัวอย่างด้วยค่ะกลับานามัสการก่หลวงปู่วันนี้นะคะน้องมายนะคะมีคําถามที่จะมาถามหลวงปู่มากมายเลยค่ะหลวงปู่ค่ะ <S 2> <S 2> <S 2> ถ้าเกิดครอบครัวเนี่ยนะคะมีธรรมะในจิตใจเนี่ยนะคะ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 หนูเข้าใจนะแล้วคนแล้วถ้าเกิดคนดีกับคนไม่ดีเนี่นะคะมันจะขึ้นอยู่กับอะไรเหรอคะหลวงปู่คนดีเด็กดีไม่ดีต้องพูดงี้หนูเป็นคนคู่น้อยคนดีไม่ดเีเกิดขึ้นโดยแหล่มันมาจากไหนต้องามาจากจิตใจค่ะมาจากจิตใจแต่ก็ขอตอบให้ฟังว่าลูกจะดีได้มาจากพ่อแม่เข้าใจไหมเข้าใจค่ะ่ที่พูดซ้าไปแล้วเนะี่ยพ่อแม่รักลูกคลิปปรฟังเนี่ย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 หนึ่งรูปสวยสองวรวยทรัพย์สามนับวิชา4มีมารยาค่ะห้าเป็นชาติปุจิหกมีสินทราค่ะอันนี้เป็นวิชาเลือกคู่ใครสอนผูเจ่าสอนคำว่าวรวยทรัพย์หมายหมายคำว่ามีมีเ<ม>งินมีทอะมีอริยทรัพย์ค่ะทรัพย์ภายในจะมีทรัพย์ภายนอกมีเขาเรียกรูปสวยวรวยทรัพย์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 ห้าไม่เป็นชาติผุดีมีมารยาทเป็นชาติผุดีมีสินธรรมหกประาการอันนี้เป็นวิชัยที่เลือกเลือกขูดแต่ไม่ใช่หมายความว่าไปหาโมดูเดี๋ยวนี้ขเขอเจรินพรเสียใจยแทนหลือเกิดแม่ไม่ดีเอาวันเดือนไปผู้ชายเอาวันเดือนไปผู้หญิงเอาไปดูตรงกันไหม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 วิสายท้ายกว้างไกลไหมไ ม, มีมันยีดสัมพันธ์หรือเปล่าแล้วมีเมตตาหรือเปล่าค่ะแล้วก็คนนั้นมีกระตันอยู่ไหมกตวเวทิตาทำต่อคุณพ่อคุ ณ, คณแม่ไหมถ้าอันนั้นเข้ากันได้ตมมาคิดว่านั่นแหละเป็นการเลือกคู่ที่ถูกต้องค่ะแล้วการเปร็นนี่คู่ที่ถูกต้องการจะฝังหลักโตกเรือนแทนสักอย่างต้องหลายอย่างและประการที่จะมีความสุขแต่ตมมาผู้เป็นตอนแร ก, ก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 ะะแต่เป็นสิ่งที่สามารถจะสารเข้ามาในชีวิตเราได้ตั้งแต่เรายัางเล็กๆนะคะสําหรับน้องไม้แล้วก็น้องใบเตยนะคะตามรุ่นของเธอก็สามารถที่จะสร้างคําถามถามคําถามหลวงพ่อได้ mm. เช่นเดียวกับผู้ใหญ่เหมือนกันแต่เป็นคําถามธรรมะที่สอดคล้องกับความสนใจของระดับชีวิตของเขานะคะสิ่งที่เราอยากจะคุยต่อก็คือในเมื่อเราจัดรายการของเราเป็นสามช่วงอย่างนี้นะคะช่วงที่1เด็กเล่นใหม่ใครรู้ เพราะฉะนั้นน้องๆ น, นะคะที่ดูการ์ตูนแล้วก็ติดตาม